เชิญนั่งกันตามสบายเดี๋ยวพูดธรรมะก่อนวันนี้พูดแล้วค่อยถวายของว่านั่งกันเรียบร้อยอยู่แล้วก็เลยไม่อยากให้ลูกนั่งฟังธรรมะไปก่อนวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะัสดแปลว่าวันฟังธรรม อาทิตย์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้พวกเราเช้าพุธมาเข้าห้องเรียนกันสักครั้งหนึ่ง<ม>พุทธศาสนานี้เป็นโรงเรีย น, <ม> เ, ปนเป็นที่สั่งสอนให้คนฉลาดให้เป็นบัณฑิตให้เป็นผู้รู้<ม><ม>เหมือนกับพระพุทธเจ้า<ม><ม>พุทธแปลว่าผู้รู้<ม> ผู้ชราผู้รู้ทางธรรมนี้คือผู้ที่รู้จักรักษาตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต่างกับผู้รู้ทางโลกผู้รู้ทางโลกนี้เป็นผู้มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดอเอาตัวไม่รอดพ้นจากความทุกข์ ต่อให้เรียนจบระดับปริญญาเอกก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยังต้องเศร้าโศกเสียใจยังต้องร้องห่มร้องไห้แต่ทางธรรมนี้ถ้าจบปริญญาทางธรรมแล้วก็จะไม่มีวันที่จะร้องห่มร้องไห้ ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่ความไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความหวงใหญ่ไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความเครียดนี่คือความรู้ทางธรรมเหนือกว่าความรู้ทางโลกลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความรู้ทางธรรม ช น, ชนะความรู้ทั้งปวงดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะอยู่อย่างสุขสบายใจไม่ต้องมาหนักคกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ให้เรามาศึกษาทำกันวันพระคือวันเรียนหนังสือเรียนธรรมะ สมัยนี้คนมักจะหนีเรียนกันวันทำวันพระวันเรียนธรรมะก็ไปทำอย่างอื่นกันสมัยก่อนนี่วันทำงานวันหยุดทำงานจะตรงกับวันพระวันพระสมัยก่อนจะเป็นวันหยุดทำงานพอไม่ต้องไปทำงาน ก็จะมีเวลาที่จะมาเรียนเรียนหนังสือธรร ม, มาศึกษาธรรมแต่สมัยนี้เขาเปลี่ยนวันหยุดทำงานไปเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ตามโลกสากลโลกสากลเขาเป็นชาวคริสชาวคริสเขาจะหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์ชาวคริสเขาได้กำไร พราะวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็ได้ไปโบสถ์ไปเรียนคำสั่งคำสอนของพระเจ้าของเขาแต่เราชาวพุทธไม่ได้ไปเรียนธรรมะกันเพราะวันวันพระนี้ไม่ได้ตรงกับวันใดวันหนึ่งวันพระเปลี่ยนไป ตามการโคจรของดวงจันทร์เราเอาดวงจันทร์มากําหนดเป็นวันพระขึ้นมาพอพระจันทร์ขึ้นสิบห้าค่ำอย่าวันนี้เต็มดวงก็เป็นวันพระหนึ่งวันต่อมาอีกแปดวันก็เป็นวันพระเรียกว่าวันแรงแปดค่า แล้วต่อมาอีกเจ็ดวันพอพระจันทร์ดับก็เป็นวันพระอีกหนึ่งวันวันพระก็จะไม่ตรงกับวันใดวันหนึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นวันนี้ตรงกับวันจันทร์เดี๋ยววันพระหน้าก็จะไปตรงกับวันอังคารเราชาวพุทธก็เลยขาดทุน เพราะวันังวันจันวันอังคารเราต้องไปทำงานกันเราก็เลยไม่ได้เข้าห้องเรียนไม่ได้มาฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยการเรียนกับการปฏิบัตินี้ไปพร้อมๆกันเรียนชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปปฏิบัติ ป ฏ, ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะความรู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัตินี้ไม่มากมายกายกองอเรียนรู้เพียงชั่วโมงหนึ่งก็รู้แล้วว่าต้องไปทำอะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าให้รักษาศีลกัน วันพระให้รักษาศีลแปดวันธรรมดาวันไปทํางานให้รักษาศีลห้าทำไมถึงรักษาศีลห้ากับศีลแปดเพราะว่าวันทํางานนี้จะรักษาศีลแปดได้ยากก็เลยให้รักษาศีลห้าไปก่อนแล้วพอวันพระวันหยุดทํางาน วันมาเรียนหนังสือวันมาอยู่วัดก็จะมารักษาศีลแปดกันพราการรักษาศีลแปดนี่จะห้ามไม่ทาไม่ให้ทำอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ดูหนังฟังเพลงดูละครไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครองกับสามีกับภระระยา ไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามทางร่างกายไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนพอพักผ่อนร่างกายสี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้านอนบนเตียงใหญ่ใหญ่บนฟูกนาหน า, หนามันจะนอนมากกว่าสี่ห้าชั่วโมง เลยต้องให้นอนกับพื้นแข็งๆจะได้ไม่สบายมากจนเกินไปเวลาร่างกายเหนื่อยง่วงนอนนอนบนพื้นแข็งๆก็หลับแล้วก็จะตื่นเด็วสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นเพราตื่นก็จะไม่นอนต่อเพราะมันไม่สบายพื้นมันแข็งสู้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมดีกว่า นี่คือวันพระเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติป ฏ, ตปฏิบัติสมอย่างปฏิบัติศีลรักษาศีลแปดแล้วก็ปฏิบัติสมาธิมานั่งหลับตาควบคุมใจให้สงบด้วยสติคือพุทโธพุทโธ หรือด้วยลมหายใจเข้าออกเราอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั่งสมาธิถ้าชอบพุทธโธก็พุทธโธพุทธโธไปนั่งหลับตาแล้วก็พุทธโธพุทธโธไปไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าคิดก็ดึงกลับมาหาพุทธโธอยู่กับพุทธโธไปแล้วความคิดต่างๆจะเบาลง เราจะหายไปในที่สุดพอความคิดหายไปความสงบก็โผล่ขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบก็โผล่ขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วจะไม่สนใจกับความสุขแบบอื่นเคยมีความสุข จากการร่วมหลับนอนกับแฟนก็จะไม่อยากร่วมหลับนอนกับแฟนมีความสุขจากการกินอาหารโดยไม่มีขอบเขตไม่มีเวลาล่ำเวลากินตามความอยากก็จะไม่กินจะกินน้อยกินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอกินมื้อเดียวก็พอแล้วก็จะไม่อยากไปดูหนังฟังเพลง ไม่อยากจะดูละครไม่อยากจะไปงานต่างๆงานแต่งงานงานวันเกิดวันเลี้ยงฉลองอะไรอยากจะหาความสงบอยากจะอยู่กับความสงบเพราะความสงบนี้เป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจเป็นความสุขที่มีน้ําหนักมากกว่าความสุขทางโลกทางร่างกาย ความสุขทางร่างกายเป็นเหมือนควันไฟพอจุดไฟพอจุดควันปับ๊บมันละมันก็จะลอยล่องหายไปความสุขได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปร่วมหลับนอนกันเป็นความสุขประเดียวประดาวแล้วก็ปล่อยให้ หรือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่เหมือนกับความสุขที่ไดจากความสงบได้ความสุขจากความสงบแล้วจะอิ่มอกใจจะสุขใจจะเบาใจแล้วจะไม่วุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขนั่นเอง แต่ความสุขแบบอื่นนี้ต้องมีสิ่งต่างๆมาคอยให้ความสุขต้องมีคนนั้นคนนี้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาคอยให้ความสุขพอเวลาไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็วุ่นวายขึ้นมาอานี่คือความสุขที่จะได้จากการมานั่งสมาธิกัน พอได้ความสุขแบบนี้แล้วก็จะปลอดภัยจากความวุ่นวายใจต่างๆไม่ต้องมากังวลกับแฟนว่าจะไปมีใครที่ไหนหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าแฟนจะทิ้งเราหรือเปล่าทิ้งเราเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากแฟนความสุขที่เกิดจากความสงบเหนือกว่าความสุขทั้งปวง ไม่มีละครดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเพลงฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไม่เดือดร้อนนะนั่งเฉยๆหลับตาพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวก็ได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง erna. ไม่มีเงินเที่ยวก็วไม่เดือดร้อนไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีเงินซื้ออาหารก็ไม่เดือดร้อนบอาให้ลากายมันผอมไปแต่ใจนี้ไม่ผอมใจนี้กลับอ้วนอ้วนจากสมาธิพระพุทธเจ้าอดข้าวได้ตั้ง49วันเห็นไหมแต่ใจของพระพุทธเจ้านี้อิ่มตลอดเวลาอิ่มด้วยสมาธิอิ่มด้วยความสงบจึงอดข้าวได้ถึง49วัน ไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลนไม่เดือดร้อนกับความตายถ้าใจมีความสุขแล้วร่างกายจะเป็นอะไรไม่เป็นปัญหากับใจใจตายอย่างสบายใจตายอย่างสงบใจไม่ได้ตายร่างกายตายร่างกายตายแต่ใจสงบใจสุขใจไม่ทุก นี่เป็นสิ่งที่วิเศษก็ะในอนาคตร่างกายของพวกเรามันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายกันถ้าเราไม่มีความสุขใจใจเราจะทรมานมากใจเราจะวุ่นจะเครียดจะวิตกกังวลจะหวาดกลัวจะเศร้า แต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิรู้จักวิธีทำใจให้สงบเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็เข้าสมาธิไปทำใจให้นิ่งทำใจให้เฉยไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาหัดปฏิบัติกันต้องทำให้ได้ เพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหมือนกับการหัดว่ายน้ำตอนนี้เรานั่งเรืออยู่ร่างกายเรานี้คือเรือที่เราอาศัยอยู่ต่อไปเรือมันจะล่มร่างกายมันจะตายพอไม่มีเรือเราก็ต้องว่ายน้ำกันถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเราก็จะจมน้ำตาย ถ้าเราว่ายน้ำเป็นเราก็ว่ายไปอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่มีเรือเราก็ไม่จมน้ำสามารถว่ายขึ้นสู่ฝั่งได้นี่คือทำไมเราต้องมาศึกษามาปฏิบัติกันเพราะว่านี่คือวิธีสร้างสาระสร้างที่พึ่งทางใจนั่นเองตอนนี้ใจมี ใจไปพึ่งร่างกายไปพึ่งข้าวของเงินทองไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปพึ่งคนนั้นคนนี้ที่ต่อไปจะพึ่งไม่ได้ต่อไปนะร่างกายเป็นอะไรไปก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายไปพึ่งอะไรได้ต่อไปสิ่งต่างๆที่มีก็ไม่แน่นอน วันดีคืนดีเขาอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราไปพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่มีที่พึ่งเราก็จะเป็นเหมือนเนี่ยตอนฝนตกไม่มีที่หลบฝนกันตอนนี้มีฝนตกแต่เรามีศาลามีหลังคาฝนตกหนักเท่าไหร่เราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่เปียก ก็เรามีที่พึ่งแต่ที่พึ่งของเรามันเป็นที่พึ่งชั่วคราวกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวมันก็จะต้องเสื่อมไปเสียไปพังไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่จีรังถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมีแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีมวันหมด มีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมงั้นพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ต้องมาพึ่งทำพึ่งการปฏิบัติพึ่งการสร้างความสงบให้แก่ใจถ้าสร้างความสงบให้แก่ใจเป็นแล้วก็จะสามารถสร้างไปได้เรื่อยๆอไม่มีวันสิ้นสุด สามารถทำใจให้สงบสามารถทำใจให้สุขได้ตลอดเวลาที่ต้องการเวลาใดต้องการความสงบก็กําหนดจิตด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปพอใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาเวลาที่ไม่มีอะไรพึ่ง เรายัางมีที่พึ่งอันนี้อยู่ที่พึ่งอันนี้เป็นที่พึ่งถาวรเป็นที่พึ่งไม่มีวันหมดเป็นที่พึ่งเราสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดนี่คือเรื่องของวันพระวันธ ร, ร ม, มัตสวนณะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่ง มงคลก็แปลว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความเจริญอย่างยิ่งผู้ใดได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจะได้มงคลสามสิบแปดประการจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะใจที่มีความสุขแล้วไม่ต้องมีร่างกาย ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาข้าวของเงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาปัจจัยสีหาอาหารหาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศรรัยหายารัารกษาโรค ไม่มีร่างกายแล้วมันสบายมีแล้วมันยุ่งมีร่างกายก็ต้องคอยหาอาหารให้มันกินหาเสื้อผ้าให้มันใส่หาที่อยู่อาศัยให้มันอยู่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่หายามารักษามันอันนี่คือ <c oughs> ที่พึ่งที่ไม่ ถาวนที่พึ่งที่จะเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเราต้องหาที่พึ่งที่เป็นความสุขอย่างเดียวที่พึ่งที่ไม่มีความทุกข์ที่พึ่งที่ไม่มีความทุกข์ก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมังสระนังกัจฉามิให้ศึกษาธรรมะกันเมื่อศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกัน เราต้องมาทำใจให้สงบกันทำใจให้สงบแล้วเราก็จะปลอดภัยจากทุกทั้งหลายทั้งปวงทุกต่างๆที่เคยเข้ามาก่อกวนมาสร้างความทรมานใจให้กับเราก็จะไม่สามารถเข้ามาได้อีกต่อไปถ้าใจเรามีความสงบใจเรามีความสุขอนี่คือ หน้าที่ของชาวพุทธเราในวันพระเราต้องเข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านเวลาไปกรอกใบสมัครอะไรเขาถามว่านับถือศาสนาอะไรเราก็เขียนว่าพุทธศาสนาแต่เรา เป็นพุทธแต่ชื่อถ้าเราไม่มาวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันถ้าไม่รู้จักศีลแปดเป็นยังไงไม่รู้จักสติเป็นอย่างไรไม่รู้จักสมาธิเป็นอย่างไรไม่รู้จักปัญญาเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธเหมือนคนที่เรียนคนที่ไปเอาใบประกาศจากโรงเรียนมา แต่ไม่เคยไปเรียนหนังสือไปซื้อใบประกาศ<ม>ไปซื้อใบประกาศม .6 ไปซื้อใบประกาศปริญญา<ม>แต่ไม่เคยไปเรียนหนังสือไม่เคยเข้าห้องเรียน<ม>อันนี้ก็เป็นเป็นใบประกาศเตือนใบประกาศที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงใบประกาศสนิบาตนี้เป็นใบรับรองว่าบุคคลนี้ ได้มีวิชาความรู้เหล่านี้อยู่อแต่ถ้าไม่ไปลริ่มไปเรียนไปปฏิบัติจะไปรู้ได้อย่างไรฉันใดถ้าเราไปถือว่าเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่ศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นชาวพุทธแต่ใบประกาศ แต่ไม่ได้เป็นชาวพุทธตามความเป็นจริงถ้าเป็นชาวพุทธตามความเป็นจริงนี้ต้องรู้ว่าศีลแปดเป็นยังไงต้องรักษาศีลแปดได้รู้ว่าสติเป็นยังไงน้วต้องเจริญสติได้รู้ว่าสัตมาที่เป็นยังไงแล้วก็นั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ รู้ว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้ที่จะบอกให้เรารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของเราความอยากหาสิ่งนั้ ความอยากกำจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้พ้นจากเราไปความอยากทั้งสามนี้เวลาเกิดขึ้นในใจจะทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ต้องการมีความทุกข์ในใจต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากดูรูปฟังเสียงก็ต้องฝืนมันฝืนด้วยศีลถือศีลแปด อยากดากูวันนี้อยากอยู่ดูหนังดูละครก็ดูไม่ได้นะเพราะถือศีลแปดแล้วถ้าอยากให้มันหายแบบเต็มที่ก็ต้องนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิพอใจสงบความอยากก็หยุดทำงาน ท, ทันทีแต่จะหยุดเฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมา มันก็จะกลับมาอยากใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้เหตุผลคือปัญญามาสอนมันมาบอกมันว่าความอยากเหล่านี้มันจะพาเราไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เนี่เช่นอยากไปหาแฟน พอไปหาแฟนไปจ้าเอ๋แฟนกำลังอยู่กับอีกคนหนึ่ง yeah. ทีนี้ก็ทุกข์แล้วสิ yeah. เสียใจ yeah. <Yeah. S 2> คิดว่าแฟนอยู่คนเดียว <Yeah. S 2> พอไปหาแฟนแฟนกับกำลังมีอะไรกับใครคนหนึ่ง yeah. <Yeah. S 2> พอไปรู้เข้าทีนี้คิดว่าจะสุขก็เลยกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเ yeah. <Yeah. S 2> พราะสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราตามความอยากของเรา มันไม่แน่นอนบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราคิดว่าจะเขาจะให้ความสุขกับเราแต่บางทีกลับกลายเป็นความทุกข์หรือถ้าให้เขาเขาให้ความสุขกับเราเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปเขาไม่อยู่กับเราเป็นตลอดอันนี่คือปัญญาสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา คิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันไม่แน่นอนและมันไม่ถาวนไม่แน่นอนก็คือบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เมื่อวานนี้หวังจะถูกหวยกันใช่ไหมคนถูกหวยก็ดีใจเกิดความสุขขึ้นมาคนไม่ถูกหวยก็เสียใจไม่แน่นอนไอ้คนถูกก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเงินที่ได้มาก็หมด เดี๋ยวใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วก็อยากจะกลับไปแทงหวยใหม่นี่คือแทงไปแทงมอหมดเนื้อหมดตัวไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือการไม่ใช้ปัญญาในการหาอะไรตามความอยากเลยทุกันมาอยู่ทุกวันนี้ทุกไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุข แต่คิดว่าเป็นความสุขถ้าคิดซะหน่อยมันก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขเพราะว่ามันไม่แน่นอนเวลาหาบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาไม่ได้ก็ทุกข์และเวลาได้มาแล้วเดี๋ยวมันจากเราไปก็ทุกข์อีกเหตน้นต้องมองให้เห็นว่าการหาอะไรต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเรานี้เท่ากับการเป็นการหาความทุกข์ นี่คือปัญญาที่จะหยุดความอยากได้อย่างแท้จริงพอรู้ว่าจะต้องไปเจอความทุกข์ไม่เอาดีกว่าถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราไปหาเป็นเหมือนงูพิษอย่างนี้เราก็ไม่ไปดีกว่าถ้ารู้ว่ามันเป็นลูกระเบิดนี่เราก็ไม่เอาดีกว่าแต่เราไม่รู้กันเราไปคิดว่าโอ้ยมันเป็นของดีของวิเศษของจะให้ความสุขกับเรา แต่พันพอมันพลิกจากหน้ามือไปเป็นหลังมือพลิกจากดีกลายเป็นไม่ดีตอนนั้นเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันนี่คือปัญญาให้สอนใจอยู่ได้เรื่อยว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่แน่นอน ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ถาวรไม่แน่นอนก็คือบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ได้มาแล้วก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกาันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายนี่คือปัญญาถ้ามีปัญญารู้ทันความจริงแล้วเวลาใจอยากได้อะไรมันก็บอกว่าไม่เอาดีกว่า เพราะสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นสุขก็เป็นสุขแบบชั่วคราวที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันจากเราไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาศึกษามาปฏิบัติมาฝึกฝนอบรมกันในวันพระมีท่านี้แหละรักษาศีลแปกันแล้วก็ฟังเทศฟังธรรม พอเสร็จแล้วก็แยกไปหาหมุมสงบไปเดินผ่อนคลายก่อนถ้านั่งนานๆมันเมื่อยก็ไปเดินจงกรมก่อนเดินจงกรมก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้เดินจนรู้สึกว่าเมื่อยอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถก็มานั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไป หรือถ้าจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ใช้ได้หลายวิธีเวลานั่งจะดูลมก็ได้จะพุทโธก็ได้จะผสมกันก็ได้ดูลมเข้าก็ว่าพุท ด, ดูลมออกก็ว่าโธก็ได้มีสามวิธีเวลานั่งแต่เวลาเดินนมีวิธีเดียวมีสองวิธีเดินไปก็พุทโธไป แลืวอเดินไปแล้วก็ดูเท้าไปเท้าก้าวเาทาวาเาว้าซ้ายาววาก้าวกาซ้ายเท้าขวาก้าวกาขวาไปต้องมีอะไรคอยกำกับใจให้มันไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดแล้วมันจะฟุง้งมันจะไม่สงบแล้วมันจะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะทำให้เบื่อเพราะอยากจะกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย อยากจะกลับบ้านอยากกลับไปหาแฟนอยากจะไปกินข้าวเย็นอยู่บ้านมีกินข้าวเย็นมีแฟนร่วมหลับนอนแต่ถ้าอยู่นานๆก็เบื่ออยู่นานๆก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะแฟนก็ไม่เอาใจเรากลับข้าวก็ไม่อร่อยบางทีก็เบื่อทุกข์ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะทำให้เราเบื่อถ้าเราเคยชินกับมันแล้วมันจะซ้ำซากจำเจมันจะเบื่อก็เลยลองมาหาความสุขแบบใหม่กันในวัดลองมาฝึกษาธรรมะลองมาหัดนั่งสมาธิลองมาทำใจให้สงบแต่ถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถควบคุมใจ ไม่ให้คิดได้ถ้าใจคิดเดี๋ยวมันก็อยากจะกลับบ้านเดี๋ยวก็อยากจะกลับไปตอนที่มาก็เบื่อแต่พอตอนมาอยู่ที่นี่แล้วกลับไม่เบื่อนล้นี่กลับอยากนะกลับอยากจะกลับไปหาของที่บ้านอีกแล้วมันก็เรียกว่าเบื่อเบื่ออยากอยากเวลาอยู่ใกล้เวลาอยู่ใกล้มันก็เบื่อเวลาอยู่ห่างไกลกับมันก็คิดถึงมันอยากจะกลับไปหามัน พอกลับไปหามันไม่กี่วันก็เบื่องั้นอย่า ก, กลับไปดีกว่าเวลามาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วมันไปคิดถึงบ้านก็บอกว่ากลับไปเดี๋ยวก็เบื่ออย่า ก, กลับดีกว่ามาฝึกสติกันดีกว่าอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงบ้านมาพุโทโธพุโทโธกันพอคิดถึงบ้านก็แสดงว่าเราไม่พุโทโธแล้ว เราก็ต้องกลับมาพุทโธพุทโธกันพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสงบสงบแล้วจะไม่คิดถึงบ้านนะจะมีความสุขจะไม่อยากกลับบ้านนะถ้าลองใจสงบทีนี้ไม่อยากกลับบ้านนะเพราะเปรียบเทียบความความสงบกับความสุขที่บ้านนี้มันต่างกันความสงบนี้ไม่วุ่นวายใจ แต่ความสุขที่บ้านนี้วุ่นวายใจวุ่นวายใจกับความไม่แน่นอนวุ่นวายใจกับการเปลี่ยนแปลงพออะไรเปลี่ยนแปลงหน่อยก็ทาให้เราวุ่นวายใจแล้วพอเขาพูดไม่ดีขึ้นมาก็ไม่สบายใจแล้วพอเสียสิ่งที่เรามีอยู่ไปก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเรามาหาความสงบนี้จะไม่มีความวุ่นวายใจเหล่านี้ พอถ้าเรารู้จักสร้างความสงบแล้วพอมันหมดเราก็สร้างใหม่ขึ้นมาได้พอนั่งสมาธิสงบออพอออกจากสมาธิมาสักพักเดี๋ยวหายสงบเราก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่หัดทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปใจก็จะสงบตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและทั้งในขณะที่ออกจากสมาธิมา ถ้าออกจากสมาธิมาถ้ามันจะไม่สงบก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็สงบเหมือนเดิมหรือถ้ามันเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนเหมือนว่าอย่าไปทําตามความอยากความอยากจะพาเราไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรเนี่ยปฏิบัติแค่นี้แหะ ขณะที่มาอยู่วัดเนะี่ยจะหลับกับการเดินการนั่งไปตอนต้นก็เอาพุโทโธก่อน <c oughs> ยังไม่ต้องไปใช้ปัญญาหัดพุดโทโธพุโทโธให้มันควบคุมความคิดให้ได้ให้มันหยุดความคิดต่างๆให้ได้แล้วก็นั่งสมาธิให้นานๆให้มันสงบนานๆ <c oughs> พอออกจากสมาธิมาก็ไปเอ่อ ออกจากสมาธิก็คอยนักษาสติต่อไปพุทธโธต่อไปอย่าปล่อยให้มันคิดถ้ามันไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพุทธโธ<ม>ให้รู้เฉยๆไปแต่พอมันเริ่มคิด<ม>ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บอกว่าอย่าคิดดีกว่าคิดแล้วเดี๋ยวจะเกิดความอยาก<ม>ก็ใช้พุทธโธพุทธโธหยุดมันไป<ม>ทำอย่างนี้ไปคอยควบคุมความคิดคอยกาจัดความคิดคอยกาจัดความอยาก แล้วความสุขความสงบก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่ไปได้นานขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะอยู่อย่างถาวรต่อไปใจจะไม่มีวันไม่คำว่าไม่สงบนี้จะไม่มีอยู่ในใจคำว่าทุกข์จะไม่มีอยู่ภายในใจจะมีแต่สุขตลอดเวลาเหมือนในสมัยพุทธกาลมีภาพรูปหนึ่งเมื่อก่อนเป็นพระก็เป็นเศรษฐี พอมาบวชก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนฝึกสติพุโทโธพุธโทโธเดินจงกรมนั่งสมาธิพอเข้าสมาธิก็ใจก็สงบเ<ม>ย็นสบายพอจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาระ ง, งับความอยากต่างๆจนในที่สุดความอยากก็หายไปหมดความวุ่นวายใจก็หายไปหมดเหลือแต่ความสุข เหลือแต่ความสงบตลอดเวลาก็เลยอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุกหนอเดินไปไหนก็ลำพึงลำพันว่าโอ้ยสุขหนอสุขหนอะพระเนรก็คิดว่าหลงพ่อองนี้ไม่มีสติบนลำพึงลำพันก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาสวดสอบถามว่าเป็นอะไรเธอไม่มีสติเนื่อไง เจอถึงลำพึงลำพันุสุกหนอสุกหน อ, นอท่านก็ตอบว่าไม่ไม่ใช่ครับสติผมมีตลอดเวลาแต่ผมมีความปิติในใจมีความสุขมากจนกระทั่งห้ามให้ไม่ไม่ลำพึงลำพันุความชัวว่วสุกหนอออกมาไม่ได้ท่านนั้นเองสมัยผมเป็นเศรษฐีสมัยที่ผมไม่ได้บวชผมไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลย พอมาเจอความสุขแบบนี้มันก็เลยอดที่จะนำพึงนำพันออกมาไม่ได้ mm. นี่แหละคือความสุขที่จะได้จากการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. ศึกษาแล้วเราก็นําเอาไปปฏิบัติกัน mm. ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็ใจก็จะได้ผล mm. จะได้ความสงบ จะได้ความสบายใจดังนั้นขอให้เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องมาเรียนหนังสือต้องเข้าห้องเรียนเหมือนนักศึกษาที่แท้จริงต้องเข้าห้องเรียนอย่าไปซื้อใบอย่าไปซื้อใบปริญญาทางาศาสนาก็เหมือนกันอย่าไปซื้อคำว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้อง ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเป็นชาวพุทธชาวพุทธที่มีศักดิ์ศรีมีผลนอนยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดัางนั้นขอให้ท่านจงเอาวันพระนี้มาศึกษามาปฏิบัติกัน และพยายามทำทุกวันพระไปแล้วต่อไปรับรองได้ว่าจะอยากมีวันพระมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มีอาทิตย์ละครั้งพอได้ผลแล้วทีนี้อยากจะให้วันพระมันมาเร็วขึ้นก็อาจจะทำวันทาให้เป็นวันพระสองวันไปวัดก่อนวันพระหนึ่งวันแล้วต่อไปก็อยากจะให้มันเป็นสามวันก็ไปอยู่หลังอีกหนึ่งวัน ไปก่อนวันพระหนึ่งวันอยู่วันพระหนึ่งวันแล้วพอหลังวันพระก็ขอต่อยหนึ่งวันต่อไปก็ได้สามวันพอได้สามแล้วเดี๋ยวก็อยากจะเพิ่มเป็นห้าจากห้าเดี๋ยวก็อยากจะเพิ่มเป็นเจ็ดไม่ขอกลับบ้านกลับบ้านแล้ววุ่นวายหนอวุ่นวายกับลูกวุ่นวายกับสามีภรรยาวุ่นวายกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสู้อยู่วัดดีกว่า ต่อไปก็ไม่กลับบ้านเลยเปลี่ยนเครื่องแบบกนหัวนุ่งขาวห่มขาวนุ่งเหลืองห่มเหลืองแสนจะสบายวันวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรนั่งแต่บนว่าสุขหนอสุขหนอไปอนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเราเป็นนักเรียนที่ดีถ้าเราเข้าห้องเรียนมาศึกษาธรรมะมาฟังเทศฟังธรรม แล้วก็มาปฏิบัติทำกันก็ขอให้ท่านพยายามทํากันไปเถิดอัตตาหิอัตโนนาโธไม่มีใครจะมาทําให้เราได้เราต้องทําเองเราต้องทําด้วยความขยันหมั่นเพียรทําด้วยวิริยะอุตสาหะเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความพยายาม จะไม่สามารถปฏิบัติให้มันสําเร็จได้นีงเบื้องต้นเราต้องเพียรพยายามมาวัดทุกวันพระให้ได้ถ้าไม่มาวัดมาไม่ได้ก็ต้องทําบ้านให้เป็นพระวัดขึ้นมาให้ได้ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติทุกวันพระถ้ามาวัดไม่ได้ก็ศึกษาปฏิบัติที่บ้านหาห้องไว้สักห้องหนึ่งแล้วเขียนว่าห้องนี้เป็นวัดปฏิบัติธรรม พอวันพระก็ขอเข้าวัดไปห้ามใครไม่ปฏิบัติธรรมห้ามเข้าห้องนี้ห้องนี้จะไม่มีอะไรจะเป็นเหมือนศาลาอย่างนี้มีพระพุทธ ร, รูปตั้งอยู่มีพื้นไว้นั่งสมาธิไว้เดินจงกลมทางนี้ก็ถือว่าได้ไปวัดละ ว, วัดคือที่สงบไม่ใช่อะไรหรอกวัดก็คือที่สงบ ที่มีศึกมีธรรมะให้เรียนรู้สมัยนี้ธรรมะไปถึงบ้านแล้วไม่ต้องมาที่วัดก็ได้เดี๋ยวนี้ถ่ายทอดสดตอนนี้ฟังธรรมได้ที่บ้านเลยถ้ามาวัดไม่ได้ก็ฟังธรรมที่บ้านได้มีการถ่ายทอดสดทุกวันแล้วก็มีการถามตอบปัญหาธรรมถ้าไม่เข้าใจสงสยัยตรงไหน <c oughs> ก็ส่งข้อความเข้ามาถามได้สดสดร้อนๆ้ลนเลย <c oughs> ดังนั้นเราไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีไม่มีที่ที่จะไปปฏิบัติธรรมมีที่บ้านเราแล้วหาห้องว่างสักห้องไม่ได้เหรอห้องเก็บของสมบัตินี้มีเยอะแยะไปหมดห้องเก็บเสื้อผ้าบางคนเป็นมีเป็นหลายห้องนะกเก็บเสื้อผ้ า, ากระเป๋ารองเทา้าเก็บไปทำไมของพวกนี้เอาไปทำบุญทำทานดีกว่าเอาที่ว่างมาทำเป็นห้องปฏิบัติธรรมดีกว่า ที่ห้องว่างนี้มาเป็นที่เป็นวัดดีกว่าเพราะประโยชน์ที่จะได้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินประโยชน์ที่ได้จากกระเป๋ารองเท้ามันมีอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกของพวกนี้ถ้าลองไปเก็บไว้เนาะมันก็เก็บไว้เท่านั้นแหละซื้อเอาไปทําบุญทําทานดีกว่าจะได้ไม่เกะ ก, กะลกหลงหลังบ้านจะได้มีห้องว่างจะได้มีจะได้มีที่ทําเป็นห้องพระห้องปฏิบัติธรรม แล้วเราก็จ ะ, จะได้ไม่ต้องมาวัดก็ได้ถ้าไม่สะดวกเพราะบางทีวัดจะมาบางทีที่ก็เต็มมาอยู่วัดบางทีที่เขาก็เต็มเหนั้นถ้าเราทาที่บ้านให้เราเป็นวัดได้ก็ดีถ้ามันเสียงหนวกหูแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศซะหน่อยให้มันเย็นไม่ให้เสียงเข้ามารบกวน อันนี้ไม่เป็นไรถ้าเราใช้เพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้เพื่อนอนให้สบายแต่ใช้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสก็คิดว่าเหมือนเราไปอยู่เมืองนอกเห็นไหมเมืองนอกเขาหนาวเย็นอันนี้เราก็เมืองไทยเราก็ทำเมืองไทยให้เป็นเมืองนอกได้เราก็ติดเครื่องปรับอากาศให้มันหนาวให้มันเย็นสบายเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมได้ ถ้ามันร้อนหรือว่าถ้าเราปิดประตูกันเสียงมันร้อนถ้าเปิดประตูเสียงมันก็เข้ามารบกวนเราถ้าเราปิดประตูเปิดเครื่องปรบประกาศเสียงก็ไม่เข้ามาเราก็เดินจงกรมในห้องนั้นไปนั่งสมาธิในห้องนั้นไปฟังเทศฟังธรรมไปในห้องนั้นไปขอให้อยู่ในห้องนั้นให้ได้เท่านั้นน่ะกลัวจะอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวก็นึกอยากจะออกมาละ เดี๋ยวอยากจะไปหาตู้เย็นนะเดี๋ยวอยากจะไปหาขนมกินเดี๋ยวอยากจะไปหาทีวีดูนะ<ม>ในห้องนั้นไม่ให้มีอะไรนะเหมือนให้มีห้องเปล่าๆมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็พอไว้สําหรับกราบว่ามีหนังสือธรรมะให้อ่านหรือมีเทปมีซีดีให้ฟังหรือมีการถ่ายทอดสดให้ติดตามในจำเป็นการฟังเทศฟังธรรมนี่สำคัญ เพราะถ้าไม่ฟังทำจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติไม่รู้วิธีปฏิบัติแล้วไปปฏิบัติมันจะไม่ได้ผลและดีไม่ดีอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้เกิดความหลงเกิดทำให้กลายเป็นคนบ้าขึ้นมาได้ทำให้เป็นคนเสียสติได้แต่ถ้ามีการเรียนมีการศึกษา อันนี้เท่ากับการมีครูมีอาจารย์แล้วไม่จำเป็นจะต้องมีครูอาจารย์มานั่งกำกับเวลาเรานั่งสมาธิครูอาจารย์ก็คือคำสั่งคำสอนที่เราเรียนจากหนังสือก็ได้เรียนจากฟังที่ท่านเทศก็ได้หรือไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้อันนี้เป็นอาจารย์แล้วอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติต้องมีอาจารย์หมายถึงว่าต้องมีอาจารย์มาเดินจงกรมกับเรามานั่งสมาธิกับเรา อันนี้ไม่ใช่การปฏิบัติจริงๆนี่เราปฏิบัติคนเดียวเอาอาจารย์ที่เราไปเรียนรู้มาฝังไว้ในใจเรามาจดจำคําสั่งคําสอนของท่านแล้วเอาคําสั่งคําสอนของท่านมากากับการปฏิบัติของเรา เ, เรียกว่าการมีอาจารย์เป็นอย่างนี้คนเรามังคดีเข้าใจผิดว่าการปฏิบัตินี้จะต้องมีอาจารย์มาคอยนั่งกากับ เหมือนกับเป็นผู้กำกับวงดนตรีอย่างนี้นเวลาจะเล่นดนตรีนี่จะต้องมีผู้กำกับไม่ใช่หรอกผู้กำกับนี่ก็คือเรานี่แหละอาจารย์ก็คือเรานี่แหละเราไปเรียนรู้ความรู้คำสั่งคาสอนของครูบาอาจารย์แล้วเราก็เอามาจดมาจำไว้แล้วเราก็จะเป็นอาจารย์ของเราต่อไปได้ แล้วถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเกิดติดขัดตรงไหนไม่ได้ผลตรงไหนเราก็กลับไปถามอาจารย์ได้ว่าเออปฏิบัติอย่างนี้ทําไมมันไม่ได้ผลอย่างที่อาจารย์บอก <c oughs> อาจารย์ก็บอกว่ามันปฏิบัติไม่ถูกเช่นคนส่วนใหญ่พุทโธปป๊บเดียวแล้วก็หยุดแล้วก็ไปเห็นนูน่นเห็นนี่อันนี้ผิดแล้วการปฏิบัตินั่งสมาธินี้ไม่ให้เห็นอะไรให้ว่างให้สงบไม่ให้ทิ้งพุทโธ พุทโธ ท, ทิ้งไม่ได้ให้มันทิ้งเราพุทโธจะทิ้งเราก็ตอนที่จิตมันสงบถ้าจิตสงบแล้วพุทโธมันจะทิ้งเราเองแต่เราอย่าไปทิ้งมันถ้าเรายังพุทโธได้เราต้องพุทโธต่อไป <c oughs> นี่คือวิธีการต่างๆของการมาเรียนรู้ในวันพระถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ เราจะไม่รู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะการปฏิบัติแต่ละขั้นมันไม่เหมือนกันขั้นสมาธิกับขั้นปัญญานี้มันคนละขั้นกันคนละเรื่องกันแต่บางคนเหมาคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนั่งสมาธิปั๊บก็จะวิปัสสนาปุ๊บเลยไม่ใช่มันคนละเรื่องวิปัสสนาไว้วันหลังวันนี้เอาสมาธิให้ได้ก่อนทําใจให้สงบให้เป็นก่อนะ วิปัสสนานี้ยังอีกไกลอตอนนี้ยังพุทโธไม่ได้ยังนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งเฉยไม่ได้ยังไม่ต้องไปวิปัสสนาบางคนพอนั่งได้สองสามนาทีก็ตั้งจิตขึ้นวิปัสสนาทันทีแล้วไปนู่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปไหนก็ไม่รู้ปรุงแต่งฟุ้งสร้างไป อ, อย่าไปวิปัสสนานี้ยังอีกเรื่องอีกไกล เอาเรื่องจิตให้รวมให้สงบให้เป็นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วได้แล้วก็ไม่ใช่เอาครั้งเดียวเอาให้มันได้หลายๆครั้งเหมือนหัดยิงปืนเนี่ยพอยิงครั้งหนึ่งเข้าเป้านะโอ้ยคิดว่าเก่งต้องคอยยิงไปเรื่อยๆยิงไปสักร้อยครั้งดูีิมันจะเข้าเป้ากี่ครั้งถ้ายิงเข้าไปร้อยครั้งเข้าเป้าครั้งเดียวก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้มันต้องยิงเข้าไปยิงเข้าไปร้อยครั้งเข้าไป ร้อยครั้งเนี่ยถึงว่าเออเราชานาญแะเราเก่งนะสมาธิก็เหมือนกันนั่งทีไรมันต้องรวมให้ได้ทุกครั้งถ้านั่งแล้วไม่รวมนานๆจะรวมสักทีนี้ยังถือว่ายังไม่ใช้ใช้ไม่ได้สมาธิยังไม่พอสมาธิยังไม่สมบูรณ์สมาธิจะสมบูรณ์นี้ต้องเข้าได้ทุกเวลา ต้องการเข้ามาไห่ก็เข้าได้ทันทีแล้วไม่ช้าด้วยปุ๊บปับ๊บห้านาทีสิบนาทีจิตก็ต้องรวมจิตก็ต้องสงบได้แล้วออกมาก็สามารถควบคุมไม่ให้มันฟุ้งซ่านได้คอยควบคุมความคิดต่อไปได้อันนี้แหละถึงจะเรียกว่าได้สมาธิแล้วถ้าได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ค่อยไปทางวิปัสสนาปัญญาได้พ อ, อ, อจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็สอนใจแต่ว่า อย่าไปอยากสิ่งต่างๆที่เราอยากมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนอบางทีได้บางทีไม่ได้เวลาไม่ได้ก็เสียใจทุกข์เวลาถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวมันจากเราไปก็ทุกข์อีกนี่คือปัญญาต้องคอยสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันจะต้องให้ความสุขกับเราความทุกข์กับเราต่อไป พอรู้ว่าจะต้องไปเจอความทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าสู้มาอยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียใจเนี่ยนี่คือขั้นของปัญญาต้องสอนใจให้มองให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นไตลยักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยอยากถูกหวยเมื่อวานนี้แทงไปหลายพัน ไม่ถูกก็เสียดายเงินเสียใจแต่ตอนอยากได้มันไม่เสียดายเลยนะมีเท่าไหร่แทงมันเข้าไปหมดเลยยิ่งถ้าได้เลขดีๆมาโอโ้โหหวังเต็มที่เลยพอแทงไปแล้วเป็นยังไงมันมันแน่นอนหรือเปล่าไม่แน่นอนนะถ้าแน่นอนเจ้ามืหอหวยก็แจ้งมันหมดแล้วแต่ น, น, นี่คกิทุกข์แล้วไม่แน่นอน แล้วถ้าได้มาเดี๋ยวก็โลภมากเดี๋ยวข่าวหน้าแทงอีกแทงมากกว่าเก่าอีกเดี๋ยวก็ต้องไม่ถูกมันจะไปถูกทุกครั้งได้ไงนี่คือเรื่องของความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราไปทำตามความอยากต่างๆใช้ปัญญาซ้อนใจทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างเราควบคุมบังคับไม่ได้หรือถ้าไปชอบไปรักใครก็ต้อง ไปดูว่าเขาไม่สวยอย่างที่เราคิดเขาไม่หล่อยอย่างที่เราคิดนะตั้งในร่างกายนี้มีอะไรไม่น่าดูเยอะแยะนะโครงกระดูกกระโหลกศีรษะอยู่ที่ไหนมันมันอยอ่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ป่าช้าหรือหรือมันอยู่ในร่างกายเราโครงกระดูกนี้มันอยู่ที่ไหนถามจริงๆเลยเราจะเห็นมันอยู่แต่ในป่าช้าใช่ไหมแต่เราไม่เห็นว่ามันอยู่ในร่างกายของคนใช่ี่ย ما. คนมีทุกคนทุกคนนี้มีโครงกระดูก คนเราทุกคนนี่เป็นป่าช้าเดินได้รู้ปะหรือเป็นผีดิบเดินได้เนี่ยมีโครงกระดูกกันทุกคนเต็มไปหมดแต่มองไม่เห็นกันนอกจากโครงกระดูกเรีย่ยังมีอวัยวะน้อยใหญ่มีปอดมีไตมีลำไส้มีตับมีอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยให้หัดดูของพวกนี้มากจะได้ไม่หลงไหลข้างไขไม่งั้นเดี๋ยวเห็นดาราภาพยนตร์แล้วโอ๊ยหลงไหลข้างไร อยากได้ของมาเป็นแฟนถ้านึกถึงโครงกระดูกของเขาบ้างนึกถึงตับไตไส้พุงของเขาบ้างมันก็จะได้หายหลงหรือถ้าเวลาหิวอยากกินนู่นกินนี่ไม่ได้หิวเพราะร่างกายแต่หิวจังใจอยากกินคิดถึงพิซซ้องพิซซาคิดถึงกว๋งกวยเตี๋ยก๋วยวคิดถึงอะไรคิดแต่อาหารที่มันอยู่ในจาน พอเห็นอาหารในจานน้ำลายมันก็ไหลวิธีที่จะทำให้ไม่หิวต้องไปเห็นมันตอนที่มันออกมาจากท้องเราสิตอนที่มันเจียนออกมาหรือตอนที่มันถ่ายออกมาได้เห็นอาหารแบบนั้นแล้วมันจะกินไม่ลงมันจะไม่อยากกินนี่คืออุบายของปัญญาที่จะมาระงับความอยากต่างๆเพื่อที่จะทำให้ใจของเรา ไม่ทุกไม่วุ่นวายเพื่อที่จะรักษาใจให้สงบต่อไปต้องทำด้วยปัญญาถึงจะสงบได้อย่างถาวรถ้าทำด้วยสติพุทโธมันก็จะสงบเฉพาะตอนที่มีสติมีพุทโธเวลาไหนเผลอสติปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวมันก็วุ่นวายขึ้นมาได้นี่คือเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษาเอศึกษาชั่วโมงนี้ก็เหลือเฟือละ ทีขั้นต่อไปก็เอาไปปฏิบัตินะไปเดินจงกรมกันไปนั่งสมาธิกันทํานี้ไปจมูกจิตจะสงบสามารถควบคุมใจให้สงบได้ตลอดเวลาแล้วค่อยมาศึกษาทางปัญญาต่อไปคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินังเปตาหนังอุปกะปติอ an ิชิตังปฏทิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตจังกปาจันโทปนาหราโสยะถามณิโชติ ภราสุยะถาสปิตโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินสศตุมาเตภวะโตอันตรายุสุขีทีคายุโกภวาอภิวาทนศิริสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวาทานติ อายุวันโสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไรวันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาสามร้อยห้าสิบเจ็ดครับ y o u ู u สองร้อยเก้าสิบสองวิทยุออนไลน์พอดีหาโทรศัพท์ไม่เจ อ, อครับแล้วก็ ผู้รับฟังข้างบนนี้สามสิบห้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยแปดสิบสี่ครับหกร้อยแปดสิบสี่วันนี้เยอะนะคนทางบ้านติดตามเยอะ YouTube กับ a c e b o o k ทั้งสามร้อยกว่าสามร้ 300. อยตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรที่ยังไม่ได้ฟังก็ที่ยังไม่ได้พูดก็ถามได้ ถามได้ตอนนี้พอเลิกประชุมแล้วของดนะไม่มีการถามตอบหลังจากเลิกประชุมไม่มีหลังใหม่ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามามีใครถามไหมมีคำถามไหมทางบ้านมีหรือเปล่าเอาทางบ้านก่อนก็แล้วกัน คำถามจากคุณจากคุณจัญยามีสองคำถามนะครับคำถามแรกเราสามารถทำวิปัสสนาในระหว่างวันได้ไหมเจ้าคะและจะบรรลุทำได้ไหมคะเพราะนั่งสมาธิมักจะติดสงบไม่ค่อยเดินปัญญาเลยค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายด้วยครับถ้ามีสมาธิแล้วก็ไปทางปัญญาได้ ถ้ายังไม่มีสมาธิก็อย่าเพิ่งไปเหมือนถ้ายังยืนไม่ได้อย่าไปหัดเดินหัดวิ่งเดี๋ยวจะลม้มหัดยืนให้แข็งก่อนยืนได้แล้วค่อยหัดเดินหัดเดินแล้วค่อยหัดวิ่งมันมีขั้นมีตอนของมันถ้ายังไม่มีสมาธิไปทางปัญญาเดี๋ยวมันกลายเป็นฟุ้งซ่านไม่ใช่อะไรคิดไปคิดมากลายเป็นกิเลสกิเลสเอาไปกินหมด เพราะความคิดนี้มันเป็นเครื่องมือของปัญญาและเครื่องมือของกิเลสถ้าไม่มีสติสมาธิกำลังมากเดี๋ยวกิเลสมันจะดึงไปทที่จะคิดไปทางธรรมมันจะคิดไปในทางกิเลสทาให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมานั้นก็ต้องสังเกตดูว่าคิดได้หรือเปล่าทางปัญญาคิดแล้วตัดได้หรือเปล่าถ้าคิดแล้วตัดไม่ได้ก็คิดไปให้เสียเวลาเปล่าๆรู้ว่า ราบยศสรรเสริญสุขเป็นทุกข์นี่ก็ยังไปหามันอยู่นคิดไปก็เสียเวลาเปล่าๆ<ม>วิปัสสนามันง่ายจะตายมันรู้กันอยู่แล้วราบยศสรรเสริญสุขเป็นทุกข์<ม>แต่พอเห็นเงินขึ้นมาเงินวันหวยออกขึ้นมานี่ใจสั่นกันแล้วอยากจะถูกหวยกันแล้ว น, นี่วิปัสนาไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร วิปสัสสนาเพื่อให้หยุดการหาสิ่งเหล่านี้หยุดหาเงินหาทองหายศดหาตำแหน่งหารางวัลหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคำถามที่สองจิตชอบอยู่ในที่สงบเงียบอยากไปอยู่ป่าคนเดียวไม่มีผู้คนชอบฟังเทศสวดมนต์ทั้งวันนั่งสมาธิติดสุข อยากเกิดเป็นผู้ชายแล้วบวชเดินป่าเจ้าค่ะทั้งหมดนี้เกิดจากกิเลสหลอกหลอกเราให้ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเจ้าค่ะไม่หลอกมันคิดไม่เป็นคนที่เขาเป็นผู้หญิงเขาบรรลุก็ไม่ไม่เห็นต้องเป็นผู้ชายเพราะการบรรลุมันไม่ได้อยู่ที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมันอยู่ที่ข้ากิเลสได้หรือเปล่าถ้าข้ากิเลสได้ก็บรรลุได้ เป็นพุ่งเป้าหมายผิดไปถูกกิเลสมันหลอกแทนที่จะพุ่งเป้าที่ไปที่กิเลสไปพุ่งเป้าไปอยากไปเป็นผู้ชายกิเลสมันก็ยิ้มสิถ้าอยากไปเป็นผู้ชายก็มันก็เลยไม่ต้องมาฆ่ากิเลสมานั่งคิดว่าจะทำยังไงให้เป็นผู้ชายก่อนอันนี้ไม่ใช่เป็นคิวคดวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องถ้าต้องการบรรลุต้องฆ่ากิเลสต้องเจริญปัญญา ต้องพิจารณาตายลังนพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลของอาหารแล้วรับรองได้ว่ากิเลสกิ่ตัวก็ตายหมดตายหมดก็บรรลุดได้ไม่ต้องไปเป็นผู้ชายสมัยพุทธกาลมีทุกเพศทุกวัยทั้งพระทั้งคารวะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่บรรลุดได้ขอให้มีธรรมคือมีสติมีสมาธิมีปัญญา แล้วการบรรลุธรรมก็จะเป็นไปอย่างอย่างต่อเนื่องคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามผมอยากทราบว่าการพิจารณาธรรมในธรรมคือดูการเกิดดับของนิวรณห้าถ้ากำลังเราไม่พอที่จะสู้กับนิวรตัวหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนอารมณ์ไปสู้กับนิวรณ์ ที่มีกำลังอ่อนกว่าจะได้ไหมครับเพราะนิวร์เกิดขึ้นได้ทีละตัวผมเคยเดินจงกรมแล้วง่วงมากทำอย่างไรก็ไม่หายครับแต่พอไปคิดเรื่องงานที่ต้องทำความง่วงก็หายไปแต่กลายเป็นความฟุ้งซ่านเข้ามาแทนแล้วก็กลับมาพุทโธก็หายฟุ้งครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับทาไงก็ได้ขอให้มันนิวรมันหายไปก็แล้วกัน คุณจะใช้วิธีเด้งไปเด้งมาก็ได้แต่อย่างสู้ตัวนี้ไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนดึงตัวอื่นขึ้นมาแทนก็ได้ขอให้มันรังับความฟุ้งซ่านระงับความ ง, า ง, งวาม่วงได้ก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณเพ็ญพันธ์ถ้าถือศีลแปดวันพระและทำงานไปด้วยไปวัดไม่ได้เจ้าค่ะ จำเป็นต้องรับศีลแปดหรือไม่คะจึงจะถูกต้องสมบูรณ์เออไม่ต้องรับหรอศีลให้กันไม่ได้พระให้โยมไม่ได้การให้ศีลของพระแปลว่าการสอน<ม>การบอกสําหรับผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่รู้แล้วก็ไม่ต้องไปอไปถามพระไปขอจากพระถ้ารู้แล้วว่าศีลแปดนี้อะไรเราก็กําหนดขึ้นมาในใจเราว่าวัาวนนี้จะรักษาศีลแปดก็รักษาไป แค่นนเองแต่บางทีบางบางทีมันไม่ขังบางคนต้องไปต้องไปบอกต่อหน้าพระจะได้ขังเพราะจะได้มีพระเป็นสักขีพยานเอเพราะว่าเวลาที่จะผิดศีลจะไรนึกขึ้นมาเฮ้ยเราไปสัญญากับพระไว้หนีย่ยว่าก็จะไม่กล้าผิดผิดสัญญาแต่ถ้าคนที่ใจซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตนเองไม่ต้องไปฮะพึ่งพระก็ได้ถ้าเรามีสัจจะในตัวเรา เราบอกตัวเราว่าจะทำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นไปมันก็ไม่ต้องไปมีพระพุทธรูปไม่ต้องมีอะไรเพียงแต่บอกตัวเราเองให้วันนี้รักษาสิบแปดนะพอมันบอกครับผมอ่ะทีนี้ก็การรักษาไป <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณบุญมาทำไมบางวันนั่งสมาธิจิตไม่นิ่งพออีกวันนั่งตัดเดียว ก็นิ่งเร็วมากเป็นเพราะอะไรครับเพราะนิจังไงมันไม่แน่นอนสติเนี่ยตัวไม่ทีไม่แน่นอนบางวันสติก็ดีบางวันสติก็ไม่มีพอสติไม่มีมันก็นั่งไงก็ไม่สงบวันไหนสติดีมีสติเยอะนั่งปุ๊บก็สงบปับ๊บ อ, อยู่ที่สติเป็นหลักพยายามฝึกสติอยู่เรื่อย คำถามต่อไปจากคุณวรวิทย์เวลาที่จิตสงบจิตรวมแล้วสักพักจะมีความคิดขึ้นมาโดยที่เรามีสติอยู่ตลอดแต่ควบคุมความคิดนั้นไม่ได้ครับผมเข้าใจว่าสติยังไม่มากพอพยายามฝึกให้รู้ตลอดพอจิตกับสติรวมสักพักก็เป็นแบบเดิมต้องฝึกอย่างไรต่อครับออก็ต้องให้มีสติอยู่กับพุโทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไป ไม่ต้องไปทำอะไรพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจไปอย่าไปดึงสติเข้ากับจิตมันดึงไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องกันวิธีที่จะให้ให้มีสติก็ต้องมีพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปคำถามต่อไปจากคุณปัญดาในขณะนั่งสมาธิ ไม่ถึงห้านาทีจิตเกิดความสงบนิ่งยังไม่ได้กำหนดคำว่าพุโทโธแต่ลมหายใจเข้าออกรู้สึกว่าตัวเบาสบายเจ้าค่ะแต่พอรู้สึกตัวระลึกนึกขึ้นได้เราลืมกาหนดคำว่าพุโทโธจึงกลับมากำหนดพุดโทโธใหม่และจิตก็จะพะวงอยู่แต่คำบริกรรมพุโทโธเจ้าค่ะอย่างนี้เป็นเพราะเหตุไรและจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะ ก็มันสงบแล้วก็ไม่ต้องกลับมาหาพุโทโธเลถ้ามันไม่สงบก็ต้องพุโทโธไปหรือถ้าเราใช้ลมก็ดูลมไปไม่ต้องใช้พุโทโธเราอย่างใดอย่างหนึ่งไปคำถามต่อไปจากธรรมะในส่วนครับวันนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมใหม่เข้ามาสองท่านกราบขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติใหม่ด้วยเจ้าค่ ะ, ะก็ถือศีลแปดให้บริสุทธิ์อย่าอย่ามีมาม่าในที่พักเดี๋ยวตอนเย็นตอนค่ํามันจะอย่ามีอาหารไว้ในที่พักอาหารนี้ต้องไว้ที่โรงครัวห้ามเก็บของกินไว้ในที่กุเตที่พักมีแต่น้ำเดิมอย่างเดียวการปฏิบัตินี้ต้องเคร่งครัดต่อเรื่องการบริโภค อาหารก็กินตามเวลาตามกําหนดหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่กินอาหารตอนบ่ายจะดื่มน้ปนาปานะก็ให้มีเว ล, เวลาเช่นตอน3โมง4โมงกวาดถูสาราทาความสะอาดเสร็จก็มาดื่มน้ำปนานะกันเดือมที่โรงครัวหรือที่สาราที่เขาจัดไว้อย่าเอาน้ำปนานะไปไว้ที่พักที่กุฏิ เดี๋ยวมันจะคอยแต่ดื่มมันจะไม่นั่งสมาธิกันแล้วปิดมือถือถ้าดีเอามือถือนี่มอบให้กับแม่ชีเขาไว้ให้หัวหน้าเขาเก็บไว้เราไม่ต้องไปรับรู้เรื่องทางโลกเพราะว่าเดี๋ยวมีมือถือใกล้มือเดี๋ยวก็อ้างเฮ้ยเดี๋ยวดูธรรมะหน่อยดูนูน่นดูนี่หน่อยอดูไปดูมาไม่รู้ดูอะไรนั้นเสียเวลา ถึงแม้จะไม่อึ่าจะดูธรรมะก็ดูมากเกินไปก็ไม่ดีถ้าเอาเวลาของเวลาปฏิบัติไปดูธรรมะมันก็ไม่ถูกเวลาดูธรรมะก็ดูเพื่อให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรพอรู้แล้วเราก็พยายามปฏิบัติสิ่งที่เราต้องปฏิบัติให้มากคือสติเนี่ยพุทโธพุทโธให้มากดูลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิด นั่งสมาธิเดินจงกรมไปอย่าคุกคลีกันอย่าคุยกันแยกกันอยู่แยกกันปฏิบัติเวลามาร่วมทำกิจกรรมก็อย่าคุยกันต่างคนต่างมีสติคอยควบคุมกายวาจาใจให้สงบสวดมนต์ก็สวดมนต์กันไปช่วยกันทำความสะอาดก็ทำความสะอาดกันไปดื่มน้ำปะนะก็ดื่มกันไปแต่อย่าคุยกันคุยกันแล้วมันคิด ต้องการจะหยุดความคิดนะคุยเท่าที่จําเป็นไม่ใช่ไม่ให้คุยเลยถ้ามีความจําเป็นต้องคุยก็คุยได้มีเรื่องจําเป็นต้องถามก็ถามได้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องจําเป็นก็อย่าพูดอย่าคุยกันต่อไปคําถามต่อไปจากคุณนงนุชการนั่งสมาธิจําเป็นต้องนั่งให้นานที่สุดใช่หรือไม่คะ ไม่ใช่เราต้องนั่งให้มันสงบไม่ได้นั่งเอาเวลานั่งให้มันสงบถ้าสงบแล้วมันก็จะนานถ้ามันไม่สงบเดี๋ยวมันทนนั่งไม่ไหวเพราะใจมันฟุง้งใจมันหิวใจมันอยากมันก็จะนั่งไม่ได้เวลานั่งเราไม่ต้องไปตั้งนาฬิกาไม่ต้องไปดูเวลาขอให้ดูที่สติให้มีสติหรือเปล่าการนั่งนี้ต้องดูดูสติดูว่ามีพุโทโธหรือเปล่า ดูว่าดูลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเวลาว่าจะนานหรือไม่นานถ้ามันสงบถ้ามันเป็นสติมันจะนานของมันเองถ้าไม่มีสติมันก็นั่งไม่ได้นานถึงแม้จะไปบังคับไปฝืนเนี่ยมันนั่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยนั่งแบบฟุ้งซ่านก็อย่าไปนั่งมันดีกว่านั่งต้องมีสติคอยกำกับใจแล้วใจก็จะสงบได้ คำถามต่อไปจากคุณสายไหมการบริกรรมพุทธโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกเราจะเลือกแบบไหนหรือสังเกตยังไงที่เหมาะสมกับการนํามาใช้ในการปฏิบัติของเราคะ่ะก็ลองดูสิลองพุทธโธดูลองดูลม ด, ลดูของนี้มันต้องทดลองดูแล้วถึงจะรู้ของนี้มันไม่ต้องสอนมันเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้อง พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเ อ, อว่าแบบไหนจะเหมาะกับแบบไหนช่วงไหนออช่วงนี้ดูลมไม่ดีลองเปลี่ยนพุโทโธดูีิดีไหมออพุโทโธดีก็อยู่กับพุโทโธไปออคำถามต่อไปจากคุณกมลลักษ์ในการทำสมาธิหลังจากคําบริกรรมหายไปผู้ปฏิบัติควรทำอย่างไรต่อไปครับ อ๋อถ้ามันหายไปเพราะมันสงบมันไม่ต้องทําอะไรมันถึงที่มันถึงจุดหมายปลายทางมันก็ยิ้มท่านั้นเดิให้ทำอะไรบอกโอ้ยโล่อกโล่งใจเบาอกเบาใจสบายใจสุขหนอสุขหนอท่านั้นเนี่ยมันไม่ถามไม่ต้องถามว่าถ้ามันถึงจุดนั้นไม่ต้องถามว่าให้ทํำอะไรคาถามต่อไปจากคุณสุดาพรกราบเรียนให้พระอาจารย์อธิบายความหมาย ของอสุภะเจ้าค่ ะ, ะคําว่าอาสุภะเป็นคำสองคารวมกันรวมโดยคําว่าอกับสุภะสุภะนี้แปลว่าสวยงามน่าดูน่าชมอสแปลว่าไม่อสุภะก็แปลว่าไม่น่าดูน่าชมอะไรที่ไม่น่าดูน่าชมในร่างกายเราเนั่นคืออสุภะอุจจาระนี้น่าดูน่าชมไหมนําไส้นี้น่าดูน่าชมไหม บอดไตถังผืดนลำไส้ตับไตหัวใจน่าดูไหมโครงกระดูกนี่น่าดูไหมหน่าชมไหมนี่เหล่านี้เรียกว่าอสุภะหรือซากศพนี่น่าดูไหมเวลาร่างกายไม่หายใจแล้วน่าดูไหม นี่ว่าอาสุภะให้หัดดูส่วนหัดดูอสุภะมาั่งร่างกายที่สวยๆที่สุภะนี้ต่อไปมันก็จะกลายเป็นอสุภะหรือถ้าเข้าไปดูในปัจจุบันก็ที่สุภะก็มีไม่สุภะก็มีพอมองเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็เจอละของไม่อสุภะทั้งนั้นเห็นไหมเนื้อนี่หุม้มห่อติดกับกระดูกเห็นไหมเอ็นนี่ แล้ว เ, เข้าไปดูอวัยวะต่างๆดูปอดดูหัวใจดูตับดูไ ต, ด, ตดูลำไส้ดูสมองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอาสุภะให้ดูเออเวลาที่เราถือศีลแดแล้วอยากจะไปนอนกับแฟนจะได้รู้ว่าเรากาลังไปนอนกับอะไรเรากำลังไปนอนกับอสุภะหัใจมแต่เราไม่มองเราก็เลยคิดว่าเราไปนอนกับสุภะ ถ้ามองจริงๆแล้วเรากาลังไปนอนกับอสุภะไปนอนกับโครงกระดูกไปนอนกับบอดกับตับกับหัวใจกับลำไส้กับอุจจาระมัอยู่ในร่างกายของคนเราทุกคนแต่เราไม่มองกันเลยไม่เห็นกันท่านเองหมดแล้วนะอันนี้คือเรื่องของการพิจารณาเพื่อมาแก้ความหลงแก้ความอยาก ตาหลงมันจะเห็นแต่ส่วนที่สวยที่ดีมันจะไม่ยอมมองไอที่ส่วนที่ไม่สวยไม่ดีเอพอไปเจอส่วนที่ไม่สวยไม่ดีก็ทะเลาะกันหยากรู้ไหมเวลาแต่งงานกันใหม่ๆก็ดูแต่ส่วนที่สวยที่ดีพออยู่ร่วมกันแล้วไปเห็นเจอแต่สิ่งที่ไม่สวยไม่ดีก็ไม่เอาละขอหยากรู้ไอยู่ด้วยกันก็ทุกข์งั้นถ้าเรารู้ก่อนว่ามันไม่สวยไม่ดีเราก็ไปแต่งให้มันเสียเวลาทําไม ไม่ต้องมาเหนื่อยกับการแบ่งสมบัติไม่ต้องมาเหนื่อยกับการย่าล้างกันบางทีเขาไม่ยอมอยา ก, ก็ทุกข์อีกเราอยากจะยาเขาไม่อยากจะยาเขาก็ไม่ยอมเซ็นให้ก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเห็นออบสุภา ต, ตั้งแต่แรกก็ไม่ไม่แต่งดีกว่าแต่งกับออบสุภาพแต่งกับสิ่งที่ไม่ดีแต่งไปทําไมนี่ไม่เห็นกัน โล่นี้มืดบอดจริงๆของมีอยู่แท้ๆมีอยู่กับทุกคนกับมองไม่เห็นกันกลับไปหลงไหลายข้างใครว่าสวยว่างามว่าหน้าดูหน้าชมอยากจะได้มาเป็นคู่ครองบางคนถึงกับฆ่าฟันกันแย่งกันโง่ก็เปล่าฆ่าฟันแย่งเอาอาการสามสิบสองแย่งเอากระดูกเอาตับเอาปอดเอาไตาเอาหัวใจเอาลำไส้ ไปย่งกันทำไมพอมันหลงมันมืดบอดมันไม่เห็นอสุภะมันเห็นแต่สุภะตบตีกันเห็นไหมนครน้ำเน่านี่เห็นโอ้เห็นแล้วปวดหัวย่งผัวแย่งเมียกันตบตีกันมันมีความสุขที่ไหนถ้าเห็นสุขเอาสุภะแล้วไม่ต้องไปแย่งกับใครใครอยากจะได้เอาไปเลยอาการ32ยกให้เลย ของเราก็มีพอแล้วไม่ต้องเอาของคนอื่นของคนของเราก็เหลือกินแล้วยังแววของคนอื่นมาอีก<ม>นี่คือประโยชน์จากการที่เราพิจารณาสุภะเพื่อตัดความหลงตัดความอยากพอมันไม่หลงแล้วมันก็ไม่อยากถ้ามันหลงแล้วมันก็อยากหลงก็คือเห็นผิดเป็นชอบเห็นของที่สบปกว่าเป็นของสวยงาม ที่สะอาดเห็นของที่ไม่สวยงามว่าเป็นของสวยงามแต่ถ้าพอเห็นของโสกปรกเห็นของที่ไม่สวยงามใครจะไปเอามานะันคำถามต่อไปจากคุณจาระหว่างวันเราควรพิจารณาอะไรบ้างครับถ้ายังไม่มีสติยังไม่ต้องพิจารณาหรอกเอาพุโทโธอย่างเดียวไปเถิดหยุดความคิดคอยเฝ้าดู หรือมิฉะั้ก็คอยดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หยุดความคิดเถิดถ้าไปพิจารณาเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกอะ่ะมันไม่ได้ไปพุทธนาทางธรรมะได้หรอกได้อย่างมากก็แค่หนึ่งวินาทีมั้งตอนต้นก็เริ่มธรรมะต่อไปกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังนถ้ายังไม่มีสติไม่ควบคุมความคิดนั้นอย่าอย่าปล่อยให้มันคิดเพราะกิเลสมันจะลากเราไปโดยไม่รู้สึกตัว กิเลสมันจะหลอกเราเผลอปั๊บลากก็ไปแล้วฉะนั้นอย่าไปคิดนะพุโทโธดีกว่าให้มีสติให้มีสมาธิก่อนควบคุมความคิดให้ได้ก่อนแล้วทีนี้ถึงจะสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้คิดไปในทางอนิจจงได้ทุกอย่างไม่เที่ยงลองคิดดูว่ามีอะไรเที่ยงบ้างมีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรไม่ดับบ้างทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันดับ เพิยงแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองดอกไม้นี่เราเห็นมันเปลี่ยนแปลงเร็วไหมมันบานไม่กี่วันเนเดี๋ยวก็เฉาแล้วแต่ร่างกายนี้มันช้าหน่อยมันเวลามันบานเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่กว่ามันจะแก่กว่ามันจะตายนี่มันนานมันก็เหมือนกันมันต่างกันตรงที่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองในที่สุดมันก็ต้องดับกันทั้งนั้น ให้พิจารณาทุกอย่างถ้าเรามีสติมีสมาธิแล้วถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งไปคิดให้เสียเวลาคิดก็ทำอะไรไม่ได้คิดก็เดี๋ยวก็หลงอยู่ดีคิดปั๊บพอหยุดคิดปั๊บเห็นของสวยงามก็ลืมไปทันทีงั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลามาหยุดความคิดก่อนควบคุมความคิดให้ได้ก่อนแล้วถึงสั่งให้ไปคิดไปในทางปัญญาต่อไปเพื่อที่จะได้ หยุดความอยากต่างๆให้หมดไปมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะการถามไม่ได้แสดงว่าเราโง่นะการถามนี่แสดงว่าเราฉลาดเราใฝ่รู้เราอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องทุกราวหรอกเกิดมาทุกคนยิ่งเรียนเท่าไหร่ยิ่งรู้ว่ารู้น้อยคนที่ไม่เรียนเนะี่ยคิดว่าตัวเองรู้มาก แต่คนที่เรียนจริงๆแล้วจะรู้ว่าโอ้โหมันเยอะเหลือเกินจบมหกแล้วยังต้องไปมีปอตีจบปอตียังมีปอโทอีกจากปอโท ย, ยังมีปอเอกโอ้โหมันมีความรู้มากมายคนที้ยิง่งยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าตนเองรู้น้อยแต่คนที่ไม่เรียนนี่คิดว่าตนเองฉลาดรู้มากดังนั้นควรจะถามนะโอกาสที่จะได้ถามนี่มันก็วันหนึ่งก็ครั้งเดียวนี่แหละ ถ้าไม่ถามตอนนี้เดี๋ยวพอเลิกประชุมแล้วมาถามไม่ไม่ตอบจะเสียใจนะเมื่อวา น, นี้ก็เป็นการพอเลิกประชุมปั๊บมาขอถามอีกละบอกวมันก็บอกแล้วว่ามันเบื่มันหมดแรงแล้วนั่งมวยเขาชอกเวลาที่เขาตีละครังเขาก็นั่งไปนั่งพักที่มุมเขากินน้ำพักไม่ใช่มาบุกต่อตอนที่กินน้ำนะนะ ถ้าไม่มีคําถามเดี๋ยวจะตีะระฆังแลนะมีไม้ทางบ้าน อ, าอ่ามาแล้ ว, ลวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไม้ก่อน <c oughs> พูดไม้หน่อยจะได้ยินกันพูดใกล้ปากน่ค่ะฮัลโหลสาธุค่ะพอปฏิบัติไปก็ขี้เกียจพูดขี้เกียจคุยอะค่ะแม้แม้กระทั่งโทรศัพท์หาเพื่อนๆนที่เคยคุยแบบเม้ามอยอะไรเงี้ยค่ะ อาจารย์เลยขี้เกียจพูดแล้วอ่ะใช่จิตมันสงบไงจิตมันหยุดคิดมันก็เลยหยุดอยากะ ถ, ถ้ามันคิดเดี๋ยวมันก็อยากเหมือนเวลาเวลาเราคุยข้ <c oughs> างนอกไปมันจะฟุ้งอะค่ะความรู้สึกเรารู้เลยฟุ้งแล้วไม่สบายพอาะั้นขี้เกียจคุยขี้เกียจไปหาใครทางนั้น อ, อ่ะนั่นแหละปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะไม่ค่อยอยากไปยุ่งเกี่ยวกับใครยุ่งแล้วมันวุ่นไม่ใช่อะไรแล้วกับสามียังไม่ค่อยพูดอ่านั่นแหละดีแล้วแหละ บันทีเขาก็ไม่เข้าใจเจ้าค่ะท่านเขาเลยท่านก็ไม่ปฏิบัติก็ไม่เข้าใจท่านก็อยากจะเข้าใจให้มาปฏิบัติกับเราเดูมีคําถามไหมครับเขาเดินปัญญาอยังไงครับาพูดมาตั้งช่วโมงี้งไม่รู้อีกตายแล้วปัญญาก็ให้พิจารณาตายลักเนี่ยปัญญาพิจารณาสุภาษณ์ไงเนี่ย พิจนาปฏิกลของอาหารนี่เป็นปัญญาทั้งนั้นแหละคิดคิดไปเจอ้าว ไ, ไ, ไม่คิดแล้วจะไปมันจะไปรู้ได้ไงมันก็ต้องอาศัยคิดเนี่ยไม่คิดก็ต้องหาภาพมาดูอ่าไปดูภาพถ่ายก็ได้ดูภาพซากศพดูภาพที่เขาผ่าตัดดูฮวายาวะอะไรต่างๆดูภาพโครงกระดูกก็ได้ถ้าไม่คิดก็ต้องดูภาพถ้าถ้ายังไม่รู้ว่าภาพเป็นอะไรก็ต้องดูภาพก่อนมาดูภาพแล้วก็มาจํา มาจดมาจำมาคิดต่อนึกถึงมันทีไรก็เห็นภาพขึ้นมาทันทีเอตอนต้นต้องอาศัยดูภาพก่อนถ้าเราไม่รู้ว่าภาพต่างๆมันเป็นอย่างไรอย่างอสุอรปฏิกูลก็ต้องไปดูเวลาถ่ายเนี่ยแล้วก่อนจะชักโคกก็ดูมันถ่ายภาพไว้ก่อนวันนี้แหละคืออาหารอนวิเศษอนโนชาทีิวสระเสียเงินเสียทองอุตส่าห์ขับรถไปหากินท่าเป็นท่าตายนี่แหละคืออาหารมันเป็นอย่างนี้เ อนี่แหละก็เรียกว่าปฏิกูลถ้าอย่างนึกภาพไม่ออกก็ถ่ายภาพดูต้องพยายามมาจดมาจําให้มันจําอยู่ในใจเราเหมือนดูภาพแฟนเราใช่ไหมตอนต้นก็ถ่ายรูปดูแฟนดูรูปแฟนก่อนพอดูแล้วจําได้เทีนี้ก็ไม่ต้องดูภาพแล้วดูรูปแล้วตอนนี้นึกถึงนึกถึงปั๊บก็โผล่ขึ้นมาในใจอย่างนั้นต้องให้มันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าปัญญาถ้าลืมก็เรียกว่าสัญญา ถึงเวลาจะกินข้าวก็ลืมปฏิกูลถึงเวลาเนี่ยตอนเย็นเนี้ยเดี๋ยวอยากจะกินข้าวขึ้นมาเนี่ยมันต้องรีบนึกถึงปฏิกูนแะล้วมันจะได้ไม่หิวไม่ใช่ไม่อยากแต่ถ้าลืมปั๊บนี่เรียวกว่าเป็นสัญญาตอนนี้พิจารณาได้แต่พอตอนหิวนึกไม่ถึงแล้วลืมมันแล้วอยากจะกินขึ้นมานะต้องต้องเป็นปัญญาต้องใช้ได้ถึงเวลาเหตุการณ์จะต้องใช้ต้องต้องใช้มันได้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา แต่ถ้าถึงเวลาแล้วดืมมันก็เรียกว่าเป็นสัญญาก็ต้องแสดงต้องมาคิดบ่อยๆคิดให้มากๆคิดให้ไม่หลงไม่ลืมให้จดให้จำตอนต้นก็เป็นสัญญาก่อนจําได้บ้างลืมมัง่งต่อไปก็ให้มันจําได้ตลอดเวลาแล้วมันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาเรียว่าหมั่นพิจารณา แต่ก่อนจะที่จะทาอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิก่อนไม่ไงั้นมันไม่ยอมคิดหรอกมันไม่ชอบของพวกนี้ต้องบังคับมั น, นอ่าถ้าคิดเป็นแสดงว่ามีสติมีสมาธินะอ่าต่อไปคำถามจากข้างบนนี้นะครับเราควรทําอย่างไรกับเพื่อนร่วมงานที่เห็นแก่ตัวครับ ก็ต่างคนต่างอยู่ไปที่มันไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเขาเป็นยงไงก็เรื่องของเขาคนเราก็มีหลากหลายเป็นเหมือนผลไม้เนี่ยเขาเป็นส้มก็ไปเขาเป็นส้มไปเราจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นกล้วยไม่ได้หรอกเขาเป็นอะไรก็เรื่องของเขานอกจากเขามาให้ขอร้องให้เราช่วยเหลือให้เปลี่ยนให้เขาแล้วก็บอกวิธีเปลี่ยนเขาให้เขาไปถ้าเขาไม่ขอร้องไม่มาอะไรก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขา ขาไม่ยินดีเราไปพูดเดี๋ยวมีเรื่องมีดาวกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนกองเขาโมโหขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณธิดาเมื่อวานนั่งสวดมนต์อย่างตั้งใจปรากฏว่าเหมือนจิตมารวมที่ตรงหว่างคิ้วตกใจเลยดึงจิตกลับมาใหม่เจ้าคะ่ะควรทำอย่างไรต่อไปคะให้รู้เฉยๆเวลาจิตเป็นอะไรก็ให้รู้สักแต่ว่ารู้ไป คำถามต่อไปจากคุณกนกพัฒนเวลานั่งสมาธิชอบฟุง้งคิดนู่นนี่จิตไม่สงบเลยทําอย่างไรดีเจ้าคะไม่มีสติมันก็ไม่สงบ่พุโทโธเลยหัดฝึกสติพุโทโธหัดพุดโทโธไปเวลานั่งอย่าหยุดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็จะไม่คิดแล้วมันก็จะสงบได้หมดแล้วเลยโอเคหมดแล้วเทนี้ก็คิดว่าพอละให